ค, คุณสตีครับเวลาเราเราเราคุยกันอย่างพูดถึงเรื่องขันห้าแล้วมันจะเป็นวงที่แคบแล้วก็ม้วนลงมาเนาะเดี๋ยวพี่มัมค อ, อนุญาตอาธิบายสักสองตัวอย่างเนาะแต่อันนี้จะเป็นวงกว้าง อ, า <c oughs> อันสมมุติว่าถ้าเราเข้าใจว่า สมมติว่าเราไปทานข้าวที่สูตรอาหารที่ตามห้างเนาะที่ฟู้ดคอร์ทเราก็เราก็ไปซื้ออาหารอะไรอย่างหนึง่งแล้วแม่ค้าก็ใส่จานใส่ถ้วยอะไรให้เราใส่ถาดแล้วเราก็มานั่งที่โต๊ะขณะที่เราตักช้อนไปแล้วก็กินเข้าไปเนะี่ยเราไม่เคยสงสัยว่าช้อนน่ะมันเป็นของใครหรือจานชามันเป็นของใคร แต่เราไม่เคยลงผิดว่าไอ้ช้อนกับจานชามเนี้ยมันเป็นของเราเรารู้เพียงแต่ว่าช้อนกับจานชามเนี้ยมันทําหน้าที่ของมันก็คือว่ามันเรายืมมันมาใช้พอเรากินเสร็จเราก็เอาไปวางไว้ที่ที่เขาจัดให้หรือแม่บ้านก็มาเก็บไปแล้วเราก็ไม่เคยอะไรอวรในไอ้ช้อนคันนั้นที่เรากิน เราไม่เคยสืบสาวเราเรื่องไปว่าวันนี้ที่เรากินนี้มันมีคนกินมาแล้วกี่ร้อยคนมว้ช้อนกั น, นเนี้ยเนี่ยคือความที่เราเข้าใจสังขานแบบที่มันเป็นหน้าที่แล้วเราก็จะไม่สืบมันไปในอดีตแล้วเมื่อเราเอามันมาใช้ตามหน้าที่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยชามชอนนั้นคืนสู่สูนย์อาหารไปการใช้ขันห้ามันก็เหมือนกันนะ คือหมายความว่าขันห้าที่มันอยู่กับเราเนี่ยที่มันเป็นตัวเราเนี่ยเราขอหยิบขอยืมมันใช้ตามหน้าที่ที่มันมีมันเป็นเมื่อเราหยิบมันมาใช้ครั้งหนึ่งเรื่องหนึ่งมือหนึ่งใช้เสร็จแล้วเราก็คืนมันกลับไปที่ที่ศูนย์หรือคืนกลับไปสู่ธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปยึดถือหรือแบบ เอาไอ้ขันห้าหรือว่าไอ้จานชามช้อนทั้งหลายเนี่ยลากไปกับเราด้วยทุกที่ทุกทางอันเนี้ยความเข้าใจถูกมันเกิดตอนนี้คุณเข้าไปห้างไปที่ฟูดดคอร์ดเนี่ยคุณเข้าใจถูกหรือตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่เกิดความคิดว่าจะต้องเอาทิชชู่มาเช็ดจานแล้วก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็หิ้วกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจถูกไงแต่พอเป็นขันห้าปุ๊บเนี่ย เราอ่ะมันเกิดความเข้าใจถูกไม่ได้เพราะว่าเราเคยชิมต่อกันที่เราตัวหนูเป็นของหนูอันนี้เสื้อผ้าหนูผ้าแม่หนูโรงเรียนหนูการงานของคุณอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นของของเราเราถูกได้ยินได้ฟังสะสมแล้วก็ทําพฤติกันเตะย่างซ้าทวนมามันเป็นของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไออาการเข้าใจถูกที่มันจะเกิดเนี่ย มันก็ต้องเกิดจากการค่อยๆ ค, คลายเวทีละนิดละนิดเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบจานในสุนทาหารคุณสติจะเห็นว่ามันเห็นชัดเจนมากเลยนะไม่มีใครเอาชามมาเป็นของเรามันก็บ้าอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็แค่ใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักขันห้าของเราแล้วเราใช้มันได้เหมือนจานชามในสุนทาหานนี่แหละทุกอย่างมันก็จะเบาเราก็ไม่ต้องแบกอะไรแต่ทุกอย่างเราไม่ได้ไม่ทําอะไรนะ เราทำหน้าที่ธรรมะคือธรรมชาติคือหน้าที่เราเอาขันห้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์โลกโดยการทำหน้าที่แต่เราไม่ได้แบกขันห้าหรือยึดถือมันไว้ว่าเป็นของเราอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งว่างมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นขอยืมหยิบ ม, มาใช้ใช้เสร็จก็วางขอยืมหยิบ ม, มาใช้ใช้เสร็จก็วาง เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะทำให้ความใจเข้าใจถูกมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถามว่าตอนหยิบไปใช้อ่ะทุกคนก็หยิบได้หมดเลยะ่ะแต่ตอนวางปุ๊บเนี่ยมันเกิดอาการรูปคลำเนาะมันเกิดความลังเลสงสยัยเกิดความเสียดายเกิดความอยากจะหยิบถือไว้อะไรก็ตามเนี่ยการจะวางเร็วได้มันก็เกิดจากการที่ฝึกสติในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันก็คือการนี้ทาให้มัน วางได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันวางไม่ลงมันรักลงไหลไอ้ถ้วยชามใบนี้หรือขันห้าที่มันคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันวางไม่ลงจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปลังเกียดเดียยฉันหรือผักใสอะไรมันวางไม่ลงก็ไม่เป็นไรธรรมชาติถึงเวลามันวันหนึ่งมันก็ต้องวางอยู่ดีอะไรเงี้ยวางเร็ววางช้าก็โอเค ฝึกไปเรื่อยๆจับวางจับวางอ่ะยังวางไม่ได้อไม่เป็นไรเดี๋ยววางได้ตอนไหนก็ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ทําซ้ําทําบ่อยทําให้ชินทําให้คุ้นแล้วเดี๋ยวปัญญาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆว่าอ๋อล้วนแต่ของขอยืมทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะขอบคุณพี่หนนครับต้องขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับที่หลวงพ่อปูทางไว้ ให้เห็นภาพในหลาย อ, อย่างแต่ว่าจริงๆผมก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทําล้นะครับเอออย่างเช่นที่หลวงพ่อบอกเรื่องขันว่ า, วามาจากการไม่มีเป็นของที่ถ้ามันอยู่แยกโดดเดี่ยวมันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็เป็นขันห้าไม่ได้มันก็คือของที่ไม่มีมารวมกันเป็นความไม่มีนั่นเองแล้วก็รวมถึงเรื่องที่การแบบที่เราหลับตาแล้วเรามองเห็นตัวเองนะครับอันนี้ผมว่าผมก็แวบเนนะว่าแบบเออมันจริงว่ะเราหลับตาเราก็ยังเห็นตัวเองแปลว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่เราเะยคเรามีผู้รู้เราก็มองดูขันห้าทํางานได้นะครับรวมถึง ตัวอย่างที่พี่แหม่ม ไ, ได้กรุณายกมานี่ก็ถือว่าเห็นภาพชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวค่อยปรับค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันต้องเริ่มแต่การไม่ปิดทางก่อนอันนี้เป็นประเด็ น, นสาคัญนะครับต้องขอบคุณมากที่ที่กรุณาเตือนนะครับคุณสติพี่แหม่มมีรเรื่องเล่าขำๆอยู่ยเรื่องหนึ่งพี่แหม่มไม่เจอเพื่อนคนหนึ่งนานมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าพี่มาสิ เดี๋ยวเราไปกินปลาทูต้มที่แม่กองกันร้านนี้อร่อยมากพี่ก็งงงงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องขับรถจากสมุทรปราการเพื่อไปกินปลาทูต้มแม่กองมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ถามว่าด้วยความเป็นเพื่อนอยากเจอเพื่อนอยากคุยเอาไปไปก็ไปกัปกนขับรถไปร้านมันอยู่ตรงนี้ซอยนี้ซอกนี้อ่ะพอไปนั่งปุ๊บเขาก็สั่งปลาทูต้มยำยกับข้าวปล่าอัดฮาน พอทานไปเสร็จเพื่อนก็บอกว่ามันก็ไม่มันไม่อร่อยเหมือนที่เคยมากินเนาะอะไรเงี้ยเอ๊ะมันยังไงเขาเปลี่ยนแม่ครัวหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เรา <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีสติอะเนาะไม่ได้สั่งบอลระวังหรือว่าหรือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องความปรุงแต่งอะเนาะมันก็เที่ยวไปในอดีตเนาะ ว่าเออเนี่ยจําได้ร้านนี้มันอร่อยไม่แพงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวตื่นก่อนเราต้องเข้าใจก่อนเนาะเราวันนี้กับเราวันนั้นก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> วันนั้นเราอาจจะแบบว่าวันนี้เราอาจจะเพิ่งแปลงฟันมากินอาหารกินอันนี้มันก็เลยอาจจะรสชาติไม่ดีแต่อย่าลืมนะปลาทูอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเดิมเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาจาก โป๊ะเดิมหรือแพ่เดิมด้วยเพอเพอแบบแม่ครัวป่วยอันนี้ผู้ช่วยแม่ครัวทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องในโลกอะ่ะมันเป็นไดานามิกหมดเลยไม่มีอะไรที่มันซ้ำเดิมเลยแม้แต่เป๊ะเดียวเลยอี๊เดียวก็ไม่มีประตูตัวใหม่มาจากเปาะใหม่แม่ครัวคนใหม่พิกขี้หนูก็คนละต้นมะนาวก็อาจจะมาจากคนละแหล่ง ทุกอย่างไม่มีอะไรซ้ำเดิมเลยเป็นหนังม้วนใหม่ทั้งหมดตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราใช้ขันห้าแล้วเราก็ปลุงแต่งไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นว่ามันวืดชกแล้วมันวืดเพราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปชกอิตอาหารอร่อยที่นี่แน่เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความวืดขึ้นมาแล้วเมื่อวืดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติตั้งแต่แรกก่อนนะก่อนที่จะขับรถไปที่แม่กองเนะี่ย มันก็ไม่ต้องความปรุงแต่งฟุ้งซ่านมันก็ต้องไม่ต้องพาเรามาไกลอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันมันจะใช้ให้เกิดคุณก็ได้เนาะคือคือเป็นโทษมันก็ไม่มีอะแต่ว่าถ้ามันเกิดถ้ามันใช้แล้วแบบมันมันมองเห็นเรื่องแล้วเราเอาสติเข้าไปจับปุ๊บอะเรื่องมันจะจบทันทีไม่เกิดความหงุดหงิดโมโหมาผิดที่ผิดทางแพง้งหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันจะหายปุบไปเลยตรงนะั้นนะพอเรากําหนดมีสติรู้ปุ๊บมันก็ปุ๊บหายไปเลยแต่ถามว่าความปรุงแต่งมันยังต้องใช้ถ้าคุณไม่มีขันห้าไม่ใช้ความปรุงแต่งไปยืนหนุนหน้ารถเราจะรู้ไหมว่าประตูรถมันเปิดยังไงหรือว่าเราถือช้อนกับซ่อมอยู่เราถ้าเราไม่มีสัญญาสังขารเราจะรู้ไหมว่าช้อนกับซ่อมเนี่ยมันใช้ไว้สําหรับทําอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยความปรุงแต่งในขันห้าก็มีคุณเนาะมีคุณสำหรับการที่เรา อ, อ่สามารถใช้ชีวิตสามารถทำหน้าที่สามารถทำการงานได้การงานใดๆก็ต้องใช้ความปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าเราไม่มีความปรุงแต่งเราคิดงานไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งที่พอดีความหน้าที่ขอ ง, งนันห้าที่มันเหมาะสม และสติที่มาทันในช่วงบางจังหวะในช่วงวิกฤตหรือในช่วงไหไก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราอะกลมกลม่อมสนรุน์แล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นศิลปะเนาะในการว่าจะทำยังไงให้มันพอดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปปฏิเสธความปรุงแต่งหรือปฏิเสธอ่ความเป็นธรรมชาติของขันห้าไปเลยเนี่ยมันในความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้าย เราก็ยังต้องอาศัยขันห้าในธรรมชาติเนี่ยดําเนินชีวิตต่อไปเนาะตรงเนี้ยอยากอยากฝากจริงๆต้องบอกว่าเรื่องการฝึกสติเนี่ยนะคะได้มากกว่าสิ่งที่เรียกว่าสติสิ่งนั้นก็คือการได้เชื่อมต่อเชื่อมตรงกับธรรมชาติภายในเรานําสู่การมีสภาวะเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติทําให้เกิดการทะลุทะลวงสู่สปปรรพสิ่งทั้งหมดในลําดับถัดต่อมานะ่ะเริ่มก็เริ่มจากการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นการนําสู่การตื่นรู้ภายใน ส, สติเนี่ยไม่ได้มีให้แค่สติอย่างเดียวแต่ว่ายังได้ให้มากกว่านั้นก็คือการเชื่อมต่อคุรุภภายในนะคะต่อเชื่อมธรรมชาติโดยตรงก็สติก็จะมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคนนี่ยนะคะเออเนาะสติรู้สึกตัวมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะแล้วก็เอาสังขารขัน่าเนี่ยให้มันทำงานนะ มันต้องทํางานอยู่แล้วแหละแต่ทํางานเนี่ยต้องอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมเนาะไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนั่นแหละใช้งานมันเลยมันทําอะไรก็เต็มที่ mm hmm. เห็นถูกอย่างเนี้ยมันลุยอย่างเดียวหรอกมันไ ม, ไม่ไม่ห่วงหรอกแต่ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยตัวเรามันห่วงจะตายไปเ อ, ไอ้ไม่อยากทํามนุษย์ไม่อยากอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเราแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันลุยพระรยะเจ้าทั้งหลายจึงมีความอดทนมีความขยันเพราะว่าไม่ได้ยึดถือสังขารขาน้ามาเป็นตัวตนไง ก็เลยใช้ขันห้าทำงานเนาะสอนธรรมะสอนกรรมฐานหรือว่ามีงานนู่นงานนี่วันๆเนี่ยได้พักนิดเดียวแหละเห็นเห็นอยู่เลยว่าโอ้โนี่แหละความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆของของโยมสติเนี่ยลุยๆ ๆ, ๆนั่นแหละเต็มที่เลยอะ<ม>่ะเดี๋ยวมีเรื่องให้พวกเราได้ได้ลองพิจารณาดูเนาะ<ม>เรื่องขันห้าเนี่ยบางคนบอกว่าขันห้าคือชีวิต บางคนบอกว่าขันห้าไม่ใช่ชีวิตเห็นไหมมีสองสองประเภทเนาะสองความคิดสองความเห็นแล้วแท้จริงมันคืออะไรไหนใครลองมาพูดคุยในประเด็นนี้ให้ใหมาช่วยกันพิจารณาดูสวัสดีค่ะน่าสนใจนะคะที่ที่ที่คำถามว่าอะไรคือชีวิตเนี่ยแล้วก็ขันห้าคือชีวิต หรือเปล่าก็เลยมาไข้ครวนนี่เลยได้ไหมคะคือคิดไปพูดไปนะชีวิตเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าคือมันมีกายกายนั้นไม่มีการรับรู้อะไรเลยเนี่ยกายนั้นก็เป็นแค่ศพใช่ไหมคะไม่ไม่รับรู้และไม่มีกระบวนการของการ เ, เลี้ยง ให้กายนั้นไม่เปื่อยเน่าไปตามธรรมชาติของการเปื่อยการที่น้ำจะแยกออกจากธาตุดินทีออ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นิยมพูดไปคิดไปถ้าบอกว่าฟังดูแล้วชักเลอะเธอะก็กรุณาขัดด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเออโ <c oughs> ยมจะมองว่าขันห้าคือชีวิตมัน ก็มองได้ว่าขันห้าเป็นกระบวนการของการเอ่อเอ่อจะเรียกว่าอะไรฮะเป็นของการของการ process ของการปรุงให้มันดำเนินอยู่ในการรับรู้แล้วก็ในการประสานกันให้สามารถปฏิบัติการต่างๆได้ส่วนการนึกคิด เนี่ย <N ee> มันก็เป็นกระบวนการเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโยมโยยังไงพูดไปพูดมามันก็เข้าเข้าเรื่องของปฏิสมุบาตอะ่ะ <N> โ <ee> <N ee> ยมชักห ล, ลงทางแล้วนะคะหล ง, ลงหรือไม่หลงก็ไม่ทราบคือคิดไปพูดไปแต่เป็นเรื่องที่ยกมือก็เพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าที่จะมามอง น, นนะคะคราวนี้มามองอยู่ข้างในมันก็ มันก็วนอยู่ก็เลยลองอพูดออกมาเป็นคำพูด <laughs> เพื่อมันจะวนน้อยลง อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโยมบ่อยครั้งโยมก็มองอะนะคะว่าณปัจจุบันขณะเนี้ยมันคืออะไรอะทำไมเรามารู้มารู้สึกณแต่ละขณะที่มันก็ผ่านไปเรื่อยๆ แล้วก็อะไรที่มันเป็นการโยงอดีตกับอนาคตถ้าถ้าถ้ามองในเชิงของขันห้าเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเท่านั้นนะคะโยมโยมโยมรู้สึกอย่างนั้นนะคะอะไรคือความหมายของชีวิตโยมคิดว่าคำถามเนี่ยถามกันบ่อยเหลือเกินแต่โยมโยมมีความรู้สึกว่า ความหมายมันก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างนั้นเองอะคะ่ะแต่ทีนี้ในอีกมุมหนึง่งถ้าพูดว่าชีวิตไม่มีความหมายมันก็ไม่ใช่อีกอนะคะ <c oughs> ยอมอายุแปดสิบสองแล้วนะคะเออมันอาจจะพูดจากมุมของผู้ทีออ่อยู่มานานมาก ก็ได้เห็นไอ้ความสืบเนื่องที่ไม่สืบเนื่องอะค่ะคือรู้สึกว่าตัวเองเมื่อวานกับตัวเองวันนี้มันมันมีส่วนที่ประกอบกันเหมือนกันมาแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมอะค่ะนี่ก็การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยอืมยมก็ใช้มันจะเรียกว่าใช้มันให้มันผ่านผ่านไปก็ไม่เฉลิม แต่ในมุมกลับก็รู้ว่าเราก็กำลังเติมทุกขณะจิตหรือทุกทุกนาทนีทุกเวลาที่มันกำลังผ่านเหมือนเหมือนน้ำไหลเลยเนี่ย น, นะคะ เ, เราจะอยู่กับมันแบบล่องลอยไปกับมันหรือหรือว่าอยู่ด้วยการรู้ว่า ว่ามันก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะเออและมันก็จะจบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อะนะคะเพราะฉะนั้นในการไหลของเวลาและการชใช้ชีวิตกับการไหลเนี่ยเออเราใช้มันยังไงมันมีเรื่องของกายแล้วก็มันมีเรื่องของรู้ใช่ไหมคะกายเราก็ เราก็ดูแลมันให้กระบวนการของมันเน่นเลยนะคะเรื่องของกระบวนการกระบวนการของการที่สมองสั่งกระบวนการที่กั้นสมองทำให้ร่างกายสูบดีเลือดได้ทํำหหัวใจเต้นได้กระบวนการเนี่ยเออเราก็เราก็เราก็ทําให้มันเป็นไปได้ที่สุดอะคะ่ะไม่ไม่ปฏิเสธ อะไรจนเกินไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โยมก็คิดว่าไอ้คุณภาพของแต่ละขณะในขณะที่มันไหลเนี่ยนะฮะมันไหลกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็ไหลไปเรื่อยๆอะออโยมคิดว่าแต่ละแต่ละขณะที่มันไหลเนี่ยมันก็ ส, ะสะ เ, เป็นธรรมดาเพราะว่าเหมือนกับ น้ำที่มันไหลไปตามตามร่องของมันเนี่ยมันก็สะสมไอส้สีกลิน่นอะไรต่างๆแต่นาไปในในตัวน้ําที่ไหลไปเรื่อยๆนะแล้วน้ํานั่นก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นแล้วเอ่อแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสเปะสปะอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะ่ะเพราะว่ามันทุกอ่ามันมีเหตุมีปัจจัยประกอบเอสิ่งที่ โยมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้ม้กระทั่งขณะเนี้ยที่พูดเนี่ยมันก็หลาไปะนะคะมันไหลไปกระบเนนการมันก็ดำเนินการไปอะโยมก็มองว่ามันไหลผ่านอะไรมันก็มีส่วนของสิ่งนั้นเข้าไปผสมอยู่โยมก็เลยเอ่อตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้คำว่าอธิษฐานไม่ได้ขอร้องอะไรใครนะคะตั้งจิตไว้ว่าชีวิตที่เหลือเนี่ย ให้มันสะอาดที่สุดนะคะคือขนาที่สุดก็คือว่าเราเห็นเื้มันจะสะอาดไม่ได้อะถ้าเผื่อมันมองไม่เห็นผงทุลีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประกอบกันกับว่าให้มันสะอาดที่สุดมันคงไปสั่งมันอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องสังเกตเห็นผงเห็นทุลีเมื่อเห็นมันแล้วเนี่ย เราก็โดยธรรมชาติมันก็จะผงทุลีนั้นมันก็จะจะบางลงอีกอย่างหนึง่งโยมก็คิดว่านี่พูดแบบคนแก่นะคะจิตของคนแก่แล้วพระอาจารย์จะช่วยสอนต่อก็จะขอบพระคุณมากะนะคะโยมว่าขณะเนี้ย่ะสิ่งที่โยม ทำว่าใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะชีวิตคืออะไรก็ตามเนี่ยเอ่อก็คือคิดว่าโยมโดยกับโลกอะโยมถือว่าโลกมีบุญคุณกับโยมมากอะนะคะมาตลอด8ปดบสปีเนี่ยทั้งทุกข์ทั้งสุขที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าศูนย์เปล่าเคยทุกข์มากก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ศูนย์เปล่าเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นหนี้บุญคุณกับ โลกที่เป็นโลกข้างนอกอะนะคะโลกจิงวัตล้อมแล้วก็แม้กระทั่งเป็นนี่บุญคุณความโงกเขาที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าความขาดสติความกิเลสอะไรต่างๆนานๆอย่างเงี้ยมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยของสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ณนะวันนี้แล้วก็บุญคุณของทั้งโลกภายนอกแล้วก็ บุญคุณของประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโยมมาตกผลึกอันหนึ่งว่าโยมมันจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่ใช่ะนะคะแต่โยมคิดว่าโยมอยากจะโฟลด์ต่อไปในลักษณะที่ต่อะแทนบุญคุณเหล่านั้นนะคะทุกอย่างมไม่ว่าเรื่องของสิ่งวัดล้อมในเรื่องของการชำระจิตตัวเองการชำระจิตตัวเองก็อย่างว่าค่ะก็อย่าง เห็นเห็นมันาะแล้วก็ใช้ร่างกายของเราเนี่ยตอนนี้ก็ทั้งเย็บปักถักร้อยทั้งหัดเป่าคลุยมาสนทนาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. จะไปจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วทีนี้จะถามว่าอยากจะจบไหมอยากจะอิสระจัดทุกข์ทั้งปวงเหมือนเออจะเรียกว่าถึงพระนิพพานไหม ตอนนี้คิดว่าจะอยากหรือไม่อยากมันก็เท่ากันล่ะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเร่งมันได้เพราะการเร่งเนี่ยไอ้รู้สึกความใสของฟโฟล์นี้นะคะมันก็มันก็จะมันก็จะขุนอ่าแต่เราฟโฟล์ไปอย่างนี้แหละแล้วก็จะผิดจะถูกยังไงจะฟังอยู่ฟังท่านผู้ ที่ผู้รู้อะค่ะท่านอาจารย์ทั้งหลายคุณสิรินันเองก็ช่วยมาเยอะนะคะช่วยให้ปัญญาช่วยให้สติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็ใกล้เวลานะเราพูดได้เท่าที่จะจะพูดคือจริงๆธรรมชาตินี้มันก็มีสอ ง, สองประเภทเนาะประเภทหนึ่งก็คือเป็นสังขารก็เรียกว่าเป็นสังขารตรุงแต่ง ประเภทหนึ่งคือไม่สังขารหรือจะเรียกว่าเป็นวิสังขารทีนี้เรื่องที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นจากหลวงพ่อก่อนหลวง พ, พ่อก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าขันห้าเนี่ยมันคือชีวิตหรือไม่ใช่ชีวิตอันเนี้ยเริ่มต้นจากสังขารนะเพราะ ม, มีการพูดมีการถามมีการคุยมีการคิดมีการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ผู้ถาม <c oughs> ก็เป็นสังขารผู้ตอบ ก็เป็นสังขารเนื้อหาที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นสังขารเพราะนั้นสังขารเนี่ยมันก็ย่อมปรุงไปตามเหตุตามปัจจัยนะมีสร้างเหตุก็เรียกว่ามีเหตุมีเหตุก็คือมีผู้ถามมีหลวงพ่อเป็นผู้ถามก็เลย ม, มีผู้ตอบนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้ยกเหตุขึ้นมาพูดที่จะตอบในเรื่องนี้ก็ย่อมไม่มนะีตรงนี้เห็นเหตุเห็นผลขึ้นมานะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ แต่การเกิดการดับก็มาแต่เหตุตรงนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้ถึงเหตุว่าอ๋อก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ถึงมีผลอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งชิ้นนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันปรากฏได้ขึ้นมาไม่ว่าเป็นเสียงเป็นความคิดเป็นความรู้สึกมันก็เป็นสังขารทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสังขารย่อมไม่ใช่สัจจะความจริงแท้ แต่เป็นสัจจะเหมือนกันแต่เป็นสัจจะเขาเรียกว่าเป็นสัจจะแบบสังขารปุงแต่งซึ่งมีเกิดแล้วก็ต้องหมดไปแต่มันมีสัจจะอีกอันหนึ่งที่เป็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนั่นคือวิสังขารความเป็นวิสังขารก็มีอยู่แล้วหลวงพ่อจะถามหรือไม่ถามแต่ความเป็นวิสังขารมันก็มีอยู่แล้วมันไม่ได้ขึ้นกับว่าจะถามหรือไม่ถามจะตอบหรือไม่ตอบ แต่สิ่งนั้นก็มีอยู่ตรงนี้หลวงพ่อที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรก็ตามนะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดซึ่งในธรรมของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าทมทั้งปวงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าทมที่เป็นสังขารปรุงแต่งก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่ก็ให้มันเป็นไปเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีผู้ยึดส่วนธรรมที่เป็นวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งนะซึ่งเป็นสัจธรรมแท้นะซึ่งมีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราเพราะนั้นเลยที่อันนี้ก็เป็นการชวนคุยกันเล่นเล่นเฉยเยเพื่อให้รู้จักสังขารว่าอ๋อสังขารคือเป็นอย่างนี้ นะมีความแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้เกิดดับอย่างนี้ส่วนที่วิสังขารเป็นความไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มีอยู่สิ่งอันนั้นแหละมันจะตรงกันข้ามกับสังขารเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ดุลพินิษใช้ปัญญาเพื่อที่จะเทียบระหว่างสังขารกับไม่สังขารว่ามันเป็นยังไท ง, ทงทั้งทที่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และมันก็อยู่ที่เดียวกันที่ใดมีสังขารที่นั่นก็ย่อมไม่มีสังขาร มันเป็นซ้อนกันอยู่แบบนี้ถ้าเข้าถึงธรรมชาติสองสิ่งนี้แล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีผู้ใดเข้าไปยึดถือธรรมชาติสองสิ่งนี้อันนี้เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยแท้จริงงั้นที่คุยมาก็เพื่อให้เกิดสติปัญญาสำหรับผู้ที่เข้าใจได้ก็สามารถเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโอ้ธรรมชาติมันก็มีแค่นี้เอง ก็หลวงพ่อก็คงพูดไว้แค่นี้ค่ะกาบสาธุค่ะจริงๆต้องบอกว่ามีคําสอนของท่านพุทธทาสท่านก็ให้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ในจํารายละเอียดไม่ได้แต่ว่าท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของการมีชีวิตอยู่เนี่ยอันแรกก็คือจะต้องอยู่อย่างมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังไม่ตายแล้วก็ รู้หน้าที่ของตนว่าการทําหน้าที่ให้ถูกต้องนั้นคือเป็นการประพฤติธรรมในเรื่องของความดับไม่เหลือมีวิธีการปฏิบัติ2อย่างปกติเนี่ยก็ขอให้มีความดับไม่เลออยแห่งความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูของกูอย่างเงี้ยเป็นประจำต่อเนื่องอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยจะแตกดับไปก็ขอให้ร่างกายทั้งหมดทั้งชีวิตจิตใจเนี่ยดับเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเชื้ออะไรหวังอยู่หรือว่าเกิดในตัวเราขึ้นมาอีก ฉะนั้นเนี่ยตามปกติประจําวันเราก็ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างแรกเมืม่อถึงข่าวแตกดับทางร่างกายก็ใช้อย่างหลังเพราะฉะนั้นการตายของเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสังขารยังไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกจากการต้อนรับกันมีคติท่าหอนที่ดีแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เรามีชีวิตเกิดมาจริงๆต้องบอกว่าเราก็มีทําหน้าที่เป็นประโยชน์ก็พี่หม่ฟังเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรก็คือธรรมชาติเนี่ยมัน มันสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็เดิมดำเนินไปตามปกติของมันอยู่แล้วความไม่ปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปให้ความหมายมันนั้นเองทีนี้ความความง่ายที่สุดอ่ะของของคำสอนของท่านพุทธท่านก็จะใช้คำง่ายมากทำแมกก็คือหน้าที่เนาะอะ่วันนี้ก็ให้งโง่น้อยกวันเก่าอะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทุกๆคำสอนของท่านบุทธห้าน่ะว่าจะเป็นวะรีหรือประโยชน์หรือย่อหน้าก็สอนอิมุตอยู่ในตัวเองอยู่แล้วใช้ได้หมดทุกตอนเลยค่ะ